คำว่าจิตโดยปกติก็มีความละเอียดยิ่งกว่าสิ่งใดๆอยู่แล้วแม้จะมีสิ่งละเอียดด้วยกันซึ่งเป็นฝ่ายต่ําฝ่ายมวหมองกไปปกคุมก็ตางจิตก็ย่อมมีความละเอียดยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายอยู่เช่นนั้นที่ดูดังพระท่าน ตัดเย็บกีวรยมพระถาท่านถวายผ้ามาให้ตัดเย็บกีวรก็มีพระสงฆ์ในวัดช่วยตัดเย็บเพราแต่ก่อนเย็บดว้วยมือพอเสร็จแล้วท่านคงจะมีความรักความยินดีในกีวรของท่านแล้วเผอิญตอนกลางคืนเกิดโรคปัจจุบันโรคท้องในท่านไปตายกลางคืนเกิด ค, ความหงอยในกีวร เลยมาเกิดเป็นเดนอยู่ที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์จำนวนมากมาต้องมีองค์ไหนจะพูดว่ายังไงพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมารับสัง่งเพราะว่าจีวรผืนนี้จะแจกให้แจกใครไม่ได้ภายในเจ็ดวันวมีพระติดสะตายแล้วมาเป็นเดนติดอยู่เกาะ อ, อยู่กีวรนี่เวลานี่หึงหวงอะไรกีวรนี่ว่าง ต้อ ง, อองรอจนกว่าเรนนี้ตายไปแล้วถึงจะแจกกันได้จงควรจะให้องค์ไหนค่อยให้ไปอไรอยิยานี้ยังให้ไม่ได้ถ้าที่สามาเป็นตายแล้วมาเป็นเรนเกออาะยุงกิรนี้หึงหวงมากมายอย่างนี้กลัวใครจะมาแย่งเอาไปหวัง<ม>นั่งฟังตปจงมาทั้งเจ็ดวันผ่านไปแล้วเรงมารับจังบอกว่านี่แจกแล้ว แก่ได้แล้วพระยิสระตายเรนตอนนั้นตายแล้วไปสวรรค์แล้วหนะักแต่มันไปสวรรค์ไอเรื่องนี้มันก็ตอนที่ไปไม่ได้ในที่แรกก็คงเป็นความห่วงอัไนี่ถึงมันต้องมาเกิดเป็นเรนแล้วเวลาจะตายในความเป็นเร น, นีีคงจะหายห่วงแล้วไปสวรรค์ได้นี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า ในในธรรมบุเห็นได้อย่างชาัดเจนเหน่ยความเกาะความห่อยใหญ่มันเหมือนกับสัตว์อยู่ปากคลอกเส้นวัวเป็นต้นไม่สําคัญว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไหนอยู่ปากคลอกตัวนั้นออกเกาะจิตใจขณะใดที่จะออกก่อนได้จะเป็นฝ่ายต่ําฝ่ายสูงไม่สําคัญ มันเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้ารามัดระวังเพราะจิตเป็นของละเอียดและมีกำลังโดยลำพังตัวเองต้องเอาใช้สิ่งอื่นขักดันเช่นฝ่ายต่ำขักดันให้เป็นอย่างไรเป็นไปได้เราจึงต้องสั่งสมทั้งความดีอันเปนฝ่ายสูงเพื่อจะผักดันไปทางทางดีจนกระทั่งจิต หมดสิ่งที่กดดันโดยประการทั้งปวงไม่ว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นอิสระโดยลำพังแล้วนั้นจึงหมดปัญหาไป น, นันเรียกว่าจิต บ, บริสุทธิ์แล้งเราจะเห็นต่มีผู้ใดมาสั่งสอนอุบายวิธีต่างๆในการแก้จิตใจในการชำระความทะลวดของใจชำระสิ่งที่ มวมองออกจากให้ออกจากใจได้เหมือนพระโอาวาดของพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีใครสามารถเนี่ยโลกเรากว้างแสนวกว้างมีประมาณสักกี่ล้านคนใครจะมีอุบายวิธีหรือความสามารถในทางความรู้ความตลาดเกี่ยวกับทางด้านจิตใจและสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจนี้ให้ทราบทั้งสองอย่างคือจิตหนึ่งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจมีอะไรบ้างเน่ยแล้วจะแก้ไขกันด้วยวิธีใดเนี่ยให้มีใครสามารถ มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้ น, ท, น, นท่านจึงกล่าวว่าเอกนามมันจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้กระดเสืขึ้นมาในโลกมีแต่ครั้งละองค์เท่านั้นมันหายากผู้ที่จะเป็นสัสพพนูที่รู้โดยลําพังตนเองแล้วมาสั่งสอนโลกส่วนผู้ที่จะคอยรับจากผู้อื่นซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้โดยลําพังนั้นมันมีมากมายห่ายกอง เป็นราสาว่าาษากาก็แปลว่าผู้ฟังต้องได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงจะรู้วิธีปฏิบัติต่อตอนเองแม้ฉะนั้นก็งต้องอาศัยพระองค์พยุงอยู่ตลอดเวลาคือคอยตักเกือนสั่งสอนอยู่เรื่อยๆนี่เรียกว่าเอกนันมากินหนึ่งไม่มีสองได้แต่พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ได้แต่เพียง ั้างละองเท่านั้นมีจำนวนน้อยมากเพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดจะเป็นขึ้นได้ยากที่สุดเระการหนึ่งประกา ร, ร, การที่สองพระวจาะที่แสดงออกแสดงออกด้วยความรู้ความเห็นด้วยความจริงทุกอย่างได้กัับยางไงแล้วไม่มีสองเลยถึงเรียกว่าเอกนามนจริงคือพยานอย่างทราบเหตุการณ์ทั้งหลายทราบก็อย่างแน่นอน เบากเา้าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันยังทราบเป็นเรื่องหลอกตัวเองอยังทราบดังนั้นยังทราบดังนี้หลอกตัวเองแบบนั้นหลอกตัวเองแบบนี้อยู่วันดังคำคือลิงลุงก็ยังไม่เห็นโทษใ น, นความหลอกหลงตัวเองอยังอุตส่าห์เชื่อเข้าไปโดยลำดับลําดัแบบแล้วไม่ใช่อุตส่าห์นะพอใจเชื่อแบ <laughs> นั่นเลยวิ <laughs> นาเลยมันผิดกันไหมล่ะกับพยานของพระพเจ้าที่ทรงยังทราบอะไรแล้วกินขึ้นมาทุกอย่าง ให้พวกเราอย่างลงไปทราบลงไปอะไรเรื่องตั้งกลับตั้งกันนานมาแล้วกี่กาเลมันไปหยั่งท้ามาหมดแล้วก็กว้านเข้ามาเผาตัวเองล้อตัวเองอย่างนั้นนะไม่มีอะไรเล่นกับเงาตัวเองเ<ม>งาอะไรที่อารมณ์อารมณ์อดีตเป็นมาสักกี่ปีกี่เดือนดีชั่วอะไรยังมาทุ่นมาชิดมาบริกรรมมาอุ่นขึ้นมาให้เผาเจ้าของยุ่งไปหมดม ส่วนมากไม่ไม่ใช่ัองดีนี่จะของทัวนะ่วมากถ้าเป็นอารมณ์อดีตมาคิดขึ้นมายุ่งจะของมันไปอย่างซาบเอาอย่างนั้นอย่างซาบอย่างซึ้มซึมเข้าไปเผาจะของจำต้องได้พิจรารณาเพราะฉะนั้นเป็นว่าไม่มีที่ใดที่เป็นที่เชื่อถือได้เอาพูดอย่างนี้เพื่อให้เป็นที่แน่ใจสําหรับเราผู้ปฏิบัติ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 นี่กี่คนก็ตามถ้าเป็นคนหัวหน้ด้วยกันแล้วมันไม่ได้เลื่อมทางนั้นเนี่ยไอน้นวกบอดภ า, ายในจิตใ จ, จนี้ก็เป็นทนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อผู้ใดให้ยิ่งกว่าพระโอาวาคำา่งสอนคำ พ, พุทธเจ้าที่แสดงออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงจริงเมื่อได้คิดลงโดยทางเหตุผลแล้วอย่างนี้ กำลังทางหน้าจิตใจก็เพิ่มขึ้นมาศรัท ธ, ธาก็เพิ่มวิริยะก็เพิ่มสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นไปโดยลาดับเพราะอํานาจแห่งความเปลี่ยนเป็นเครื่องสนับส น, นุนนี่เราเชื่อตัวเองเราก็เชื่อไม่ได้ล้วนเลยตลอดเวลาไม่ทราบจะไปทางไหนจะมาทางไหนสิ่งสถานที่จะไปก็ไม่ทราบเ้วจะไปยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบจะดีจะชั่วเพราะความแน่นอนของใจไม่มี เนื่องจากความแน่นธรรมซึ่งเป็นความแน่นอนไม่ได้ย่างหรือไม่ซึงสร้า ง, งภาราจิตใจพอจะเป็นที่เชื่อถือตนได้ใจเมื่อมีสิ่งที่แน่นอนมีสิ่งที่อาจหารมีสิ่งที่แน่ใจเข้าแทรกกับตัวเองย่อมสามารถย่อมแน่ใจได้ดังนั้นควรสร้างความแน่ใจซึ่งภารจิตใจด้วยข้อปฏิบัติ อ้าวทุกก็ทุกทราบมันมาตั้งแต่วันเกิดอืเกิดมาเกิดกับกองทุกเนี่ยเออเราไม่ได้เกิดมากับสวรรค์นิพพานที่ไหนในขณะเกิดเกิดกับกองทุกรอดจากทุกขึ้นมาแล้วถึงมาเป็นคนเราจะไปตื่นเต้นตกใจเสียอกเสียใจกลัวอะไรกับความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาความกับความทุกข์หากจะเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วนี่เวลานี้ไม่ได้เป็นไปึงคิดหายบาดวงหรือตายตอนี้เราก็ไม่ไตายแล้วผ่านพ้นมาโดยอันดับ นี่ยิ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติตัวของเราด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงโดยทางสติปัญญาแล้วเราจะกลัวทุกข์เลงขัดกับหลักเหตุผลที่จะให้ทราบเรื่องของทุกข์ถ้ากลัวต้องกลัวด้วยเหตุผลอย่างพระพุทธเจ้าท่านกลัวทุกข์สาวกท่านกลัวทุกข์ท่านพิจรารณาเพื่อจะหาทางลุอยู่จากทุกข์โดยทางสติปัญญาศรัทธาของมแข็งท่านนั้นถูกต้องอการกลัวทุกข์ด้วยความท้อถอยอ่อนแอ น, นี้ไม่ใช่ทาง ทุกเป็นยังไงกําหนดให้รู้เกิดกับทุกทําไมจะไม่รู้เรื่องของทุกเกิดกับสมู ท, ทยยัยคือกิเลสตันหาสวะทําไมจะไม่รู้เรื่องของสมู ท, ทยัยสิ่งที่ใชรู้มีอยู่สติปัญญามีอยู่กับทุกคนศาสนาธรรมตั้งสอนไว้กับหันใจของบุคคลสติไม่หามาจากที่ไหนไม่ต้องสห้ซื้อมาจากตลาดถ้าเราไปซื้อหนังสือก็มาเป็นเพื่มเพิ่มสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจของเราเนี้่ยให้สร้างขึ้นสติปัญญาทินิจพิจารณา พยายามคิดอ่านซอกแซกคบหน้าทวนหลังอยกคิดไปหน้าเดียวถ้าคิดไปหน้าเดียวไม่รอบครอบนี่ช่องโหว่ตรงไหนนั่นแหละถ้าเป็นบ้านก็จนผู้ร้ายเข้าที่ช่องนั้นช่องโหว่ของจิตมีตรงไหนกิดเลสอาสวะเข้าที่ตรงนั้นพราเกิดอาสวะคอยที่จะแทกจิตใจอยู่ตลอดเวลาต้องฝึหกหัดสติปัญญาของเราให้ดีอย่าให้เสียวเวลาเวลากับสิ่งใด ยิ่งกว่าเสียกับความเพียรซึ่งเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวของเราโดยเฉพาะนี้เท่านั้นนี่เป็นเป็นจุดสำคัญแต่พระพุทธเจ้าทึานได้สอนมนาพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์ทั้งหลายที่ทูลลาพระองค์ไปเที่ยวกรรมฐานไปเที่ยวบำเพ็ญธรรมในที่ต่างๆซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้กำลังศึกษาที่เรียกับา หากว่าเป็นสาเร็จเป็นระยะบุคคลก็ต้องอยู่ในขั้นเสียขับบุคคลที่จะต้องศึกษาเพื่อทําขั้นสูงขึ้นไปเวลามาทูลลาพระพุทธเจ้าจะไปบปําเพ็ญสมณธรรมท่านขอรับสั่งว่าเธอทั้งหลายไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าปราศจากที่พึ่งเนยความอยู่ไม่มีที่พึ่งนั้นหาความหมายไม่ได้เลยไม่มีความหมายในตัวบุคคลหาคุณค่าไม่ได้ พวกเธอจั้งหละฮะทำที่มีคุณค่ามากทำที่มีคุณค่านั้นจะมีจะเกิดขึ้นได้เพราะสถานใดเหตุใดถ้ามาเกิดขึ้นได้กับความมีสติความมีความเพียรด้วยสติ ป, ปัญญาตลอดเวลาในเยาวบดต่างๆนี้แหละคือคุณค่าที่จะทําสำนักให้เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นคนมีคุณค่าคุณค่าขึ้นมาภานในติตใจนี่เราฟังโอวาทของท่า น, นหน้าฟังไงเพราะฉะนั้นบรรดาพระสงฆ์ที่ได้นับพระโอวาทจากพระองค์แล้ว ต่างองค์ต่างสอดแสวงหาสมณธรรมความเป็นสมณธรรมในสถานที่ใดท่านจึงเป็นไปด้วยความ ส, มบสงบเสงี่ยมเป็นไปด้วยความเพียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทแล้วหาที่เด็เดเจอเดียวเพื่อความเหมาะสมกับการแก้ทิเลตการฆ่าทิเลตนั่นเองคุณนายเมื่อเข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นเอเรื่องความเพียรก็ามาเอง ตามปกติมีแต่ความขี้เกียจล่ะทับถมอยู่ตลอดเวลามองหาตัวจนจะไม่ไม่เห็นหนั่นแหละมีแต่ความขี้เกียจมากง่ายความหมดแอตเอมอยู่ในตัวของบุคคลทั้งคนเหยียบอย่างไปไหนโดนแต่ความขี้เกียจของของคนแต่เวลาเข้าไปสู่สถานที่นั้นความขี้เกียจมันหมอบตัวหมอบความขยันหมั่นเทียนเป็นขึ้นมาเพราะสถานที่เป็นสิงแวดล้อมอันนําขัน ประมาณไม่ได้เรามีความมุ่งหมายอย่างไรจรึงต้องมาสู่สถานที่นี้ความมุ่งหมายเดิมเจตนาเดิมปเป็นไงก็คือมามุ่งเพื่อสมัมมาธรรมมาหาในที่สําคัญที่เด็ดเดียว เ, เ, เ, เ, เพื่อจะได้ตั้งสติตั้งสติปัญญาและความภาคเภูมิที่อย่างเข้มแข็งเนี่ยเมื่อเป็นฉะนั้นและไปอยู่สู่สถานที่ฉะนั้นด้วยแล้วสติมันก็มาเองเพราะความระวังตัวใครจะไม่กลัวจ ะ, จะไม่เสียดายชีวิตไม่อะไรเสียดายชีวิตไม่ห่วงห่วงชีวิตมีหรือเนี่แม้ว่าธรรมจะมี คุณค่ามากในระยะที่จิตมีความห่วงงในชีวิตซึ่งมีคุณค่ามากยิ่งกว่าทําอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสอันหนึง่งแต่กิเลสประเภทนี้รรนเป็นกิเลสที่ให้เกิดธรรมมาได้คือให้เกิดความพยันหมั่นเพียรในการที่ประกอบความภาคเพียรเอาเป็นก็าตะเป็นก็เป็นตายก็าตายนั่นทีนี้ทีนี้มอบได้แล้วตายกับธรรมมีสติตะตังอยู่ตลอดเวลาเดินอยู่ใน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 จนได้มเมื่อเห็นจุดสาคัญที่เป็นตัวก่อเหตุแล้วไอ้ จ, จุดนี้มันก็ระงับตัวลงได้เพราะอํานาจของสติอนาจของปัญญาค้นขวา้ายอมมอบเรื่องความกลัวเลยหายหมดอาจะมันจะไม่หายยังไงก็ปุ๊บไปปรุงมันไม่ปรุงเนี่ยพอรู้ตัวของมันแล้วว่านี่ตัวเป็นอันตรายจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่กับสัตดกับเสือกับช้างอะไรที่ไหนโน้นถึงครจะตายที่ไหนก็ตายคนเรามีปัจฉัยทุกแห่งทุกผลทุกอริยาบทนี ไปหวั่นไปไหวอะไรกับเรื่องความเป็นความตายคืเลที่มั็นพอกพู่ย่าข้อใจนี้เป็นแพลงําคัญอยู่ตลอดเวลาทุกภพกทุกชาติด้วยมีควรที่จะแก้ที่ตรงนี้เช่นความกลัวมันก็เป็นเรื่องที่เลดีั้งหนึ่งตรองใช้สติปัญญาหันเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่จิตนั้นก็สงบตัวลงไปทางนั้นเมื่อจิตได้สงบตัวลงไปถึงจะคิดจะปรุงได้อยู่ก็าตาม ความกลัวไม่ไม่มีนงนี่เราเห็นคุณค่าเราเห็นผลประโยชน์จากสถานที่นี้ด้วยความเพียรอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจะขยับเข้าไปเรื่อยเพื่อทำขั้นสูงต้องหาที่เด็ดที่เดียวเข้าไปโดยลหนับเพื่อทำขั้นสูงยิ่งกว่านี้เข้าไปการตระกกว่าความเพียรในในที่รับรับฐานเช่นนั้นมันเป็นผลประโยชน์เกิดผลได้เร็วยิ่งกว่าธรรมดานะเมื่อเป็นเช่นนั้น คุณมีน้อยก็อยากจะได้กําไรมากๆให้ได้ผลมากๆจะทําอย่างไรถึงจะเหมาะสมก็ต้องหาที่เข่นนั้นทีอเหลยกหมอบรื่นเริงมันถึงอยู่ก็อาจปรับทำเห็นทั้งโทษทั้งคุณภายในจิตใจทั้งตัวผู้หลอกลวงผู้ก้อควรผู้ยุ่ยแย่ต่างๆ ใ, าาๆให้เกิดความชกกระทั่งมันไวให้เกิดความกลัวเป็นกลัวตายอะไรมันอยู่ใน จ, ใจิตใจลุ่มเรื่องของมันอยู่ที่นี่แล้วนั่นก็สงบ ไอ้เรื่องเหล่านี้สงบแล้วก็เรียกว่าฆ่าศึกสงบใจก็เย็นสบายเอ้าเดินเสือจะกระหึมกระหึมอยู่ก็กระหึมเพียงเสียงอันหนึ่งเท่านั้นนะ เ, เขากระตายเสือก็มีป่าชาติเต็มตัวของมันเราก็มีป่าชาติเต็มตัวของเราหัวอะไรกับสัตว์กับเสือวิรลยกกออ์ตัดหงวยต่อเวลาทำลายไม่กลัวนี่เอาตรงนี้บอเวลาจะเอาอยิงเงินตัง่าหมุนติ๋ว เกิดความอาหารทานไทยขึ้นมามันจะมีสักกี่ร้อยกี่พันตัวก็ามาเถอะเสือนี่เราก็เป็นสัตว์เกิดแต่เจิดตายด้วยกันเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยิ่งหยอ่อนกว่ากันเนี่ยมันคิดไปอย่างนั้นมันรู้ไปอย่างนั้นเถอะจิตก็เลยรื่นดรงบันเทิงสบายแล้วกิเลสค่อยหมดไปหมดไปอ้าวที่นี่ค้นทางด้านปัญญาเมื่อสิ่งกังวลภายนอกที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นมันระงับตัวลงมา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 ทวาจริงที่พระองค์สอนไว้เป็นความจริงล้วนๆนั้นเวลานีิจิตทุกเรามันปลอมอันนี้เป็นไอจังมันก็ว่านิดจังอันนี้เป็นทุกขังมันก็ว่าสุขขังอันนี้เป็นอัตตามันก็ว่าเป็นอัตตาอัดตัวตนอยู่นั่นล่ะอะไรๆมันก็ปกว้างเนาะเป็นตัวเป็นตนเป็นหมดแล้วนั้นก็ฝืนทำโพธิเจ้าเมื่อเข้าสู่ในที่ขับขังเช่นนั้นแล้วมันไม่ฝืนมันยอมเมื่อยอมพระโภติเจ้าแล้วมันก็เห็นธรรมเท่านั้นล่ะอย่างน้อยก็คุยธรสมณธรรมคุยทํามสงบเย็นใจ ยิ่งกว่านั้นก็คือความเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เห็นอย่างประจัดเวลาเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ถ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ชอบแล้วชอบจริงๆเปิดเผยอยู่ด้วยความจริงสอนด้วยความจริงสิ่งที่สอนนั้นก็มีเป็นความเปิดเผยตามธ ร, รรมชาติของตนไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับนอกจากความงโง่ซึ่งเป็นเรื่องของจิตเลสเท่านั้นปิดบังตัวเองไม่ให้สามารถที่จะรู้ความจริงที่เปิดเผยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนได้นาน มันก็รู้เข้ามาแล้วให้ถือนี่แหละเป็นสนามรบเป็นสถานที่ทํางานทีเรียก ว, ว่ากรรมาฐานกรรมาฐานน่ะพิจารณาตรงนี้อ่ะมันติดที่ตรงนี้ไม่ติดอะไรแต่เป็นหลักสำคัญติดตรงนี้ก่อนขันฟ้าดูถ า, านหนึ่งผ่นดูทุกแง่ทุกมุมแห่งอวัยวะเมื่อถึงการที่มันจะซูมทราบแล้วมันก็เหมือนไฟได้เชือ้อมันต่อไปไหม้ลุกลามไปเยเรื่อยๆ นี่ถึงความความรู้ขั้นปัญญาที่จะซึมทราบเห็นอวัยวะส่วนต่างๆซึ่งมีความเสมอกันมีความเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นมันแทงทะลุ ป, ปุ่มไปหมดหายสงสัยปล่อยวางได้ตามความจริงเบาวิวเลยการพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นเนี่อตัวจริงกหลับกาลาท่านสอนไว้มากน้อยเพียงไนกีคำทีสอนกขามาหาตัวจริงนี้ท้งั้น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 สู่ตัวของเราให้เห็นความจริงอยู่ในสถานที่นี้นความมืดไม่ปิดตามันก็ปิดอยู่ที่นี่การพิจารณาด้วยปัญญากกเพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดกําบังอันฝืนจากทำฝืนทำทั้งหลายนั้นให้ออกไปถึงความขั้นความจริงจิตใงเราก็จะโล่งจะได้เห็นตามความจริโรจงโลกระมีถูกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรถ้าไม่จะรู้แจ้งสิ่งปิดบังอยู่ภายในท่านในขันธ์ของเราเานี้ก่อนอื่น ไม่มีอะไรจะรู้ต้องรู้ที่นี่ก่อนโทษ ก, ก็ปิดบังสมุทัยก็ปิดบัง เ, เมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ทำที่ไหนก็ล้มเหลวไปหมดเนี่ยมันปิดบังมันทำลายทำของเราทั้งหมดวิริยะธรรมก็ถูกทำลายสติปัญญาธรรมก็ถูกทำลายขันติธรรมก็ถูกทำลายด้วยอำนาจแห่งทุกเนี่ยถ้าสติปัญญาไม่สามารถแกกล้าไม่มีความอันหันจริงจะเปิดความทุกเนี่ย เป็นของจริงขึ้นมาไม่น่าทั้งๆ ท, ท, ที่ทุกนั้นเป็นของจริงอันหนึ่งแต่เราก็พลาเอามาเป็นของปลอมเป็นพื้นมันทรายเผาจิตใจของเราจนแหลกเหลวไปได้หาความเพียนติดต่อกับแม่เลยเพราะทุกนี้เข้าไปทํำลายนะีอะไรปิดบงังจิตใจก็ทุกนี้เองเป็นเครื่องปิดบงังอืมสมุทัยก็เหมือนกันคิดอะไรหลอกขึ้นมาตั้งแต่เรื่องปิดบังตั้งแต่เรื่องจอมปลอมทั้งนั้นเราก็เชื่อมไปโดยลําดับๆก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นมากมาย ก, กายกอง ต้องใช้สติปัญญาออกมาเปิดสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของมันเหมือสติปัญญาเจาะเข้าไปถึงไหนรู้เข้าไปถึงไหนความปล่อยวางหรือความรู้แจ้งเห็นชัดมันจะปรากฏขึ้นมาเด่นขึ้นมาแล้วความปล่อยวางมันจะเป็นไปเองค่อยปล่อยวางไปเรื่อย ๆ, ๆทีนี้มันก็หมดปัญหาคำว่าธาตุว่าขันเอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนมาได้สองพันห้าร้อย ก่อปีนี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันทําไมถึงมาเพิ่งทราบกันวันนี้รู้กันวันนี้ถ้าขันมีมาตั้งแต่วันเกิดทําไมจะ ก, กว่ามาเห็นกายทั้งเราเป็นไอ้จังก็ไม่เห็นเป็นทุกขังก็ไม่เห็ น, เ ป, น, นเป็นอนาตาก็ไม่เห็นเป็นอริพัสุพังอะไรทั้งๆมันก็เป็นความจริงมันอยู่นะมันก็ไม่เห็นแล้วทาไมเพิ่งมาเห็นกันวันนี้สิ่งเหล่านี้เพิ่งมีในวันนี้เท่านั้นเหรอมีมาตั้งแต่วันเกิดแต่เพราะความมืดนี้ปิดตามันบังอยู่ทั้งหมดอยู่กับตัวเราก็ไม่เห็นตัวเราอืม อยู่ครานี้จังก็ไม่เห็นไอ้จังอยู่ครับทุกครั้งก็เห็นทุกครั้งอยู่กับหน้าตาก็เห็นหน้าตาแล้วจะเห็นธรรมคือความจริงแคแน่นอนได้ที่ไหนเนมือ่อสติปัญญาอย่างวันนี้มันก็เปิดเผยเออกไปเรื่อยๆไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานจะขาดสะพั่นไปมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กสติปัญญาให้พิจารณสติปัญญาหรือให้ผิดสติปัญญาขึ้นให้ดีเราอย่ากลัวจิตตาอย่ากลัวจิตชิบหายอย่ากลัวจิตร่มจมธรรมชาตินี้ไม่ร่มจม เพราธรรมชาตินี้เท่านั้นที่จะพิจารณาสิ่งทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นก็มาอาศัยธรรมชาตินี้อยู่ด้วยการไปถ้าเราหลงก็ถือว่าเป็นเราแล้วถึงนั้นก็เป็นภัยต่อเราได้ถ้ารเรารู้โลกต่างอันต่างกินอยู่อย่างสะดวกสบายในที่ตรงนี้นักรบต้องเป็นผู้กล้าหาญต่อความจริงให้เห็นความจริงอิจเป็นผู้ที่ชอบรู้ชอบเห็นมีสายอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลา ขอให้น้อมความอยากรู้อยากเห็นนั่นเข้ามาสู่สัจธรรมให้อยากรู้อยากเห็นสัจธรรมคือความจริงพระพุทธเจ้าสอนว่าจริงจริงแค่ไหนให้เห็นด้วยสติปัญญาตัวเองจะเป็นที่หายสงสัยว่าออพระพุทธเจ้าถนัสัจธรรมเป็นจริงจริงอย่างนี้อย่างที่เราเห็นปัจจุบันทุกก็จริงอย่างนี้สมุทัยก็จริงอย่างนี้ปัญญาก็จริงอย่างนี้แน่งจิตก็จริงอย่างนี้นเห็นได้ชชัดหายสงสัย เรื่องพระพุทธเจ้าก็หายจงใสเรื่องความภาคเพียรของพระเจ้าที่ทรงบำเพ็ญอย่างไรหายจงใสอุบายวิธีต่างๆที่ทรงสอนไว้หายจงใสไว้ทั้งหมดหนักเมื่อถึงขั้นหายหายไปโดยลํำดับลํำดับท่า น, นต้องพิจารณาขันของเหล่านี้เอาให้ดีอยิ่เป็นหัวเรี้ยวหัวต่อโดยแล้วเราจะนอนใจไม่ได้เอาลงให้เห็น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 แยกกันให้เห็นตามกําลังของสติปัญญาของเราอย่าท้อถอยนี่หละความช่วยตัวเองช่วยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถไปช่วยเราได้ยิ่งถึงขั้นจําเป็นจำาจขั้นจนกรอบจนงมจริงๆแล้วมีแต่นั่งดูกันเฉยๆนั่นแหละไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ถ้าเราไม่รีบช่วยของเราด้วยสติปัญญาตตามเปลียนเร า, าตั้งแต่บันนี้จนเป็นที่พอใจเป็นที่แน่ใจ ไม่มีทางอื่นความต้องการเราไม่มีความหมายถ้าความเพียรไม่เป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรจึงเป็นสิ่งสําคันอดทนต่อความจริงอดทนต่อตอตัตธรรมไม่เสียหายเราอดทนต่อสิ่งอื่นๆเราตรากตรำอะไรต่อสิ่งอื่นเราเคยตรากตรำมามากแล้วเราเคยฟังว่าเราเคยนแล้วสิ่งนี้ทําไมเราจะไม่สามารถ พริเจ้าไม่ธรรมามุริเจ้าม่ใช่พจะพคาดพอจะฆ่าคนผู้มีความเพียรอันกล้าหาญให้ทิพไพรวัยปวงไปนี่นอกจากจะฆ่าที่เดชอศาชวะซึ่งเป็นตัวฆ่าสิ่งพันธุ์ใจิตใจให้เราลุ่มหลงไปตามนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเห็นกินนาลง้เห็นชัดเจนดูให้ดีสิ่งอันนี้กับกจิตมันสนิทกันมาเป็นเวลานา น, านติดกํามกันมาเป็นเวลา น, านานจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นธาตุเป็นขันจึงรวมเอาหมดนี่ว่าเป็นเหลา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 เขาก็เป็นสภาพของเขานั่นแหละเราผู้ให้ชื่อเขาว่านี่เป็นธาตุนั่นเป็นขันนี่เป็นรูปนั่นเป็นเวทนานนั่นเป็นสัญญานี่เป็นร่างฐานนี่เป็นวิญญาณขอให้ปัญญามันรู้ทั่วถึงเท่านั้นนหละมันก็หมดสมมุติไปเองสิ่งเหล่านี้ไม่ไปสมมติมันเป็นอาการอันหนึ่งๆเท่านั้นที่จิตแยกออกไปทราบจิตแยกออกไปให้ความหมายต่างๆเมื่อทราบความหมายของจิตแต่อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนัทั้งทั้งหลายนั้นมันก็เป็นความจริงของมันรุนล้วนจิตก็มาเป็นความจริงของตนรุนร้วนแล้วไม่ค้าเข้ากัน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 มีเชื่ออันสำคัญแต่นี่ภายใ น, นจะเป็นอะไรพาให้เกิด้าให้เป็นเป็นทุกข์เกิดเป็นบอกเกิดแทนทุกข์นั่นพิจารณาลงปัปคนลงไปเอาอะไรจะทิถาสให้เห็นให้รู้เพราะเราต้องการหาความจริงนี้อะไรจะทิถาสไปให้มันรู้ด้วยปัญญาของเรารู้ด้วยจิตของเราอะไรมาชิพไสก็ให้รู้ด้วยจิต ข, ของเราอีกนั่นแหละจะหมดปัญหาที่จุดนั้น ปัญหาใหญ่อยู่ที่จิต<ม>ก้านอะไรอะไรเข้ามารวมไม่ในตัวหมดก้านเอาไปข้างนอกแต่กว้วนเอาข้างนอกเข้ามาพราะถูกตัดด้วยสติปัญญาแล้วก็หมดตัวเข้าไปอยู่ภายในอื<ม>ไปหลบซ่อนอยู่ภายในจิตนั้นจิดก็ถือนี่เป็นตนอีกเนี่ยก็หลงอีกเพราะานั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปฟันเข้าไปฟาดเข้าไปแหลกแล้วเหยียดไปตามๆกันหมดอะไรที่ไม่ใช่ของ จริงในในลัธรรมชาติซึ่งมีภายนจินแล้วมันจะสลายตัวไปอันใดเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วจะไม่มีสลายเช่นความรู้เมื่อแยกสิ่งที่แปรความสิที่แทรกซึมไหลออกหมดแล้วจิตก็เลยเป็นจิตล้วนๆเป็นความบริสุดววนดั่นคิดหายไปไหนความบริสุทธิ์นี่แล้วลองค้นหาดูที่ป่าช่างความบริอสุดป่าช่าให้จิตนี่ไม่มีให้ปรากฏ ยิ่งชำระถึงที่จอมปลอมให้พาให้ไปเที่ยเกิดนั่นถือร่างนี้ร่างนั้นออกหมดแล้วยิ่งเป็นความเด่นชัดนี่แหละท่านเราทำประเสริฐประเสริฐที่ตรงนี้พุ้นแต่ก่อนพุ้นนี้แหละเป็นตัวสำคัญล็อกตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พาให้หลอกมันอยู่ในจิตจิตริจร่จริงเป็นเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถูกเตะ กิ่งไปติ่งมาอย่างนั้นนี่เลยทั้งหละมันเต็อย่างเราฟันขาเหยี่นมันแหลกที่ทํำไม่เตะฟันด้วยปัรญาของเราสติของเราไม่แหลกหมดมันโกงแน่วนี่ผานเที่ยงจะไปถามที่ไหนกินพอถึงจุดที่เที่ยงคือไม่มีอะไรที่จะเข้ามาแทรกสิงได้แล้วมันก็ไม่เอ็นไม่เอียงเสมอตัวท่านนี่ สารทิฏิกโกรู้กันตรงนี้เป็นสารทิฏฐิโกอวนเต็มภูมิปจัจจตังเวริสุบูวิญญูหีอัน ร, รู้ทั้งหลายรู้จําพอตน ร, รู้ที่ตรงนี้เป็นจุดจุดท้ายรู้ที่ตรงนี้แล้วเรื่องก็หมดที่ตรงนี้เรื่องปาช้าทั้งหลายอันเป็นความเกิดความตายมาเท่าไหรเท่าไรแล้วมาดับกันที่ตรงนี้นี่เรียกว่างานล้างป่าชา้าคืองานกรรมฐานเหมือา ง, งานล้างป่าช้าของตนล้างที่ตรงนี้ พบน้อยพบใหญ่อะไรออกให้หมดให้ม่เหลือนี่ผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเริ่มแรก<ม>เข้าอยู่ในปา่าเนียเขาเข้าการฝึกฝนทรมานตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพระสงฆ์สาวกเขาไปเที่ยวกรรมาฐานไปเที่ยวแบบนี้แหละที่นี่คำว่ากรรมาฐานนี่ก็มีอยู่กับทุกคนไม่ว่านัก บ, บวชไม่ว่าฆราวาสกรรมาฐานคืออะไรเจสาลุ ม, มานกข า, าตังตาแตโจ น, นั่นปัญจะ ครัะนะพระจากปัญจกกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเป็นคํำวพ่ามันก็มีอยู่กับผุกคนเนี่ยไม่ว่าจะพระแต่นหน<ม>พิจารณาตรงนี้มันก็เรียกว่าพิจารณากรรมฐานเที่ยวอยู่ตรงนี้เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานหลงก็หลงอันนี้พิจารณานี้ดูแล้วก็ลูกกรรมฐานถอดถอนกรรมฐานถอดถอนพบถอดอนภาพหรือว่าถอดถอนเลือดที่ตรงนี้ดวงก็ไปก็ไปเลือดที่จิตใจก็หมดปัญหาที่ตรงนั้นนั่นแหละกรรมฐานสมบูรณ์แล้ว ผู้จิตตังกรรมาจารียังเส ร, ร็จคือพรมจารย์ได้อยู่จบแล้ว<ม><น>จบที่ตรงนี้จบทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างศาสนาลงที่จุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่ <Weber> สอนอะไรต่อไปอีกเพราะศาสนาศาสนธรรมมุ่งถึงจุดนี้คือคือมุ่งล้างป่าช้าของสัตว์ที่ตรงนี้เมื่อ ถึงจุดนี้แล้วก็เป็นอนหมดบรรหาสาวกจะอยู่ด้วยกันเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามท่านจะไม่มีอะไรสอนขันให้เพื่อการบัมบูงอย่างนั้นบัมบูงนี้แม้จะลุมร้อมพระพุทธเจ้าอยู่ก็าตามพระองค์ก็ไม่ทรงสอนเพื่อการรักพี่เด็กเพราะได้ละอันหมดทุกสิ่งทุกอย่างดังที่พระว่ า, ปวาปตปฏิโมกในมพระบูชาดังที่เทศเมื่อคืนนี้ สัพพะวัสะอาการังกุญแจสูส้ประชันระหลากิตตปริโยดปานังอิตังบุทธามสาสนังนะท่านประกาศหรือว่าท่านแสดงเป็นสำหมดทักงถาเครื่องรื่นเดิงสำหรับสาวกเท่านั้นไม่แสดงเพื่อให้สาวกละผนอะไรทั้งหมดเพราะบรรดาสาวกเหล่า น, นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอราหันต์เป็นผู้สิ่งชีริตอาละหมดโดยการทั้งปวงการทําบาปก็มีความฉลาดก็ถึงพร้อมจิตก็ จนกระทัง่งถึงขั้นบริสุทธิ์หมดจดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถูกต้องตามหลักว่าเอตังมุธามสาสนังที่เป็นคําสอนขุเช้าทุกๆองค์แล้วท่านไม่สอนเพื่อละกิเลสอันใดอีกต่อไปเลยพระอาจารย์เปนอยู่เท่าไรท่านเป็นสะดวกสบายทั้งหมดท่านไม่มีอะไรกระทบกรกะเทือนตนและผู้อื่นเพราะเป็นความบริสุทธิ์ล้นล้นแล้วเนี่ยแต่พวกเรามีที่เดสอยู่ภาในาไม่ทะเลาคุณเดนอื่นแทะเละกับตัวเองเนี่ยุ่งกับตัวเอง ออกจะยุ่งตัวเอเอาเรื่องยุ่งเองนี่เป็นยุ่งคนอื่นอีกลำบากไปหมดขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเอาไปป้ายไปทาเขานั่นทาเขานี่นนน<ม>แหลกเหลือไปหมดร้อนโกรกอุณหภูมิวุ่นไปหมดเ<ม>ลยเป็นสภามวยเป็นหมาในวัดในว่าอันนี้ก็อมามากระกรองก็เพราะอันนี้อของต ก, กปลอมมีภายในจิตใ จ, จนี่เอง้า<ม>หมดไปแล้วมันก็หมดปัญหาเอาละการแสดงธรรมก็ อ, อยู่ในขั้นขวด